เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงพ่อพทธิยานในวันนี้คงเป็นการพูดถึงนิวรณข้อสุดท้ายนะฮะคือวิจิกิจฉานิวรณโครงสร้างเวลทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น <c oughs> ก็ใช้โครงสร้างเดียวกับข้ออื่นโดยรับสั่งว่า อันหนึงเมื่อวิจิกริชฌาคือความเคร่ยดแกร่งสงสัยมีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกริชฌามีอยู่นภายในจิตจะจิตของเราหรือว่าเมื่อวิจิกริชฌาไม่มีนภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิกริชฌาไม่มีนภายในจิตของเราอันหนึงความที่วิจิกริชฌาอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึงการละวิจิกริชฌาที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดก็ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วย นันเลยวิจิการิชฌาที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นอีกโดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นด้วยก็นี้ก็คือชุดอย่างนี้เพราะประเด็นแรกก็คือเรื่องของวิจิกิจฌาลักษณะของวิจิกิจฌานั้นเป็นอาการของโมหะนะฮะเป็นอาการของโมหะแต่ว่ามันไม่ถึงคำมืดตื้อก็ทํานองคล้ายๆกับว่าเราไปอยู่ในอากาศที่คำมืดกงหัวนะฮะในกายรุ่งกายค่าเนี่ย มันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างในรายละเอียดต่างๆเราอาจจะไม่เห็นแต่ก็ไม่ถึงก็มืดเลยไม่ถึงก็มืดบอดแบบโมหะหรือว่าแบบอวิชชาไปเลยเป็นกิเลสที่กระจางขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ว่าเกิดขึ้นกลุ้มหลุมใจไม่ถึงก็ออกมาข้างนอกนั่นก็แสดงไว้ว่ า, วามีความสงสัยเนี่ยเป็นลักษณะในแน่ใจไม่มั่นใจตัดสินใจไม่ได้ อจิตใจไม่ได้อย่างลงชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นเพราะก็ทําให้มีความหวั่นไหวเป็นกิจคือเป็นหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าจิตเราจะหวั่นไหวคือไม่แน่ใจแล้วก็เราดูง่ายๆนะคล้ายๆกันเด็กที่เขาสอบไปแล้วเนี่ยมีตัวเลือกสีตัวก็ขอขงอนะฮถ้าแกไม่แน่ใจแกก็แขว่งบางทีก็คิดที่คิดถูกไปการตอบปัญหาอะไรก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนั่นก็อาการหวั่นไหว ไม่กล้าตัดสินใจสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วในสุดก็ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องมันนันไม่ได้ยังวันก่อนยังนึกขำแล้วไปบญญออรรยายอบรมนักเรียนเสร็จแล้วพวกครูบาอาจารย์แล้วก็คุมนักเรียนอ่ะเขขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ตั้งคนงตั้งเขาตั้งการถ่ายทั้งหมดถ่ายร่วมแล้วก็ไปส่งกล้องให้เด็กเขาช่วยถ่าย ประเด็กจะบปับเนี่มาบอกประเด็กนี้ก็ถ่ายไม่ได้แร้วแกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะขนาดจับกล้องเราไปเห็นแล้วนะคอาจารย์ก็พยายามทําก็ทําไม่ได้นะพูดได้แกก็ทําไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะแ ก, แกไม่มั่นใจแกไม่มั่นใจแม้มจะอธิบายยังไงเนี่ยมันเริ่มต้นจากความไม่มั่นใจเนี่ยถ้าจะให้เกิดมั่นใจต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็มีอันถือเอาอย่างเดียวไม่ได้นะ ไอ้นอนท์ก็น่าใช่ไอ้ น, นี่ก็น่าใช่ไอ้นอนท์ก็น่าจะถูกไอ้ น, นี่ก็น่าจะไปนะไปถึงทางสามแพร่งเอข้างหน้ามันน่าจะไปข้างหน้าหรือว่าซ้ายหรือว่าขวาเอาไม่ได้นะเอาเนยใหญ่ไม่ได้เลยนั่นคือวิจิกิจฉาเพราะงั้นท่านอุ ป, ปมามันก็นทางสามแพร่งมันทางสามแพร่งหรือมันทางเสือผ่านเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันทางนี้มันสวัส ด, ดีหรือมันก็เลยไปเลยไปก็เจอเสือกัดเลย ถามว่าพวกนี้มันเกิดที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรมันเกิดขึ้นมนาจากอโยนิโสมานิสิกานคือความคิดที่ไม่เป็นระบบไม่มีกฎมีเกณฑ์นในการคิดไม่มีหลักการในการคิดนะฮะอตัดสินนิชัยไปตามอารมณ์ส่วนใหญ่ก็อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์กลัวอารมณ์ริษยาหึงหวงอะไรก็แล้วแต่และทีนี้มั น, สนแสดงอาการออกมาเนี่ยกลายเป็นอุปสรรคอะไรทีนี้ เพราะจะสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสง์สงสัยในใจศีขาสงสัยในชีวิตเรื่องอดีตเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเคยเกิดเราเกิดเป็นอะไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรนะ ต, ตายจากนั้นแล้วไปเกิดในที่ไหนรูปร่า ง, ย ง, งอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไงก็ยุ่งไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปหมดอะ่ะทีนี้ก็มันจะเกิดไม่แน่ใจแล้วไม่ไม่ไม่แน่ใจในอนาคต เราจะเกิดอีกไหมหรือว่าเราจะไม่เกิดก็ไม่เกิดเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราจะเป็นยังไงก็อีกหละยุ ก, ก็ยุกอีกทีนี้บางทีก็มั่วหมดเลยทั้งอดีตทั้งองนาคตที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไปเครื่อบแคลงสงสัยในกฎของเหตุผลที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือเป็นกระบวนการของธรรมะนะฮะเป็นกระบวนการของธรรมะอย่างนีกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา รู้สึกสลดกดหูใจนะฮะที่มนุษย์เล่นรุนแรงกันเหอเกิดโดยเฉพาะยังยิ่งพือธรรมกับประชาชนที่ไม่รู้ไอโนโอินเน่เลยแล้วเธอกลวดใครเธอต้องการจะแก้แค้นอะไรในที่จริงมันน่าจะเดินกันเป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรแต่การนำมาอ้างในลักษณะนั้นว่าอเมริกาไปเข้าข้างอิสราเอลไรแ่อะไรมันเป็นอารมณ์เด็กอะ่ะคือถ้าอย่างนั้นมันเป็นอารมณ์เด็ก นั่นจะต้องมีเหตุผลมากกว่า น, นั้นทีนี้คนที่ไปทําอย่างนั้นนะถ้าหากว่าแกยังสงสัยในแกไม่กล้าทํเจ้าแม่ความสงสยัยต้อถึงระดีเหมือนกักนสงสัยว่าจะเป็นบาปไหมจะตกนรกหมกไหมไหมจะถูกลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าไหมอะไรแต่ไรเนี่ยั้าแกสงสัยก็ยังไม่กล้าทำนะครั้นก็แกก็ไปเชื่อตามความคิดของแกนะว่าจะเป็นการทํางานในนามพระผู้เป็นเจ้าอะไรแต่ไรก็แล้วแต่แหละ คือคนทําได้อย่างนี้จะต้องมีความเชื่อมั่นในเรื่องที่ไม่ยุติโดยเหตุผลในความดีแต่เข้าใจว่าเป็นการกระทําความดีนะคล้ายๆกับองค์มริมาีนการฆ่าคนน่าเฉยแต่เฉยนี่ยก็เคยเชื่อว่ามันเป็นบุญนะแล้วก็บาปเบอรมันไม่มีหรอกอาจารย์ก็สอนมาอย่างงั้นบาปไม่มีไม่มีการฆ่าไม่มีพูดถูกฆ่าไม่มีสิ่งที่ฆ่าแท้จริงมันเป็นวัตถุแทร ก, กไปในวัตถุเท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมาก แล้วในที่สุดมันก็ออกมาในลักษณะอย่างนี้นแต่ถ้าเกิดสงสัยไว่เนี่ยที่จริงยังอยู่นะฮะดังนั้นกิเลสประเภทสงสัยจึงไม่ใช่แรงไม่แรงบางทีเนี่มันก็ช่วยอะไรช่วยเกิดการยับยั้งชั่งใจไอ้รอไว้ก่อนรอปรึกษากันก่อนวางแผนให้ดีกันก่อนอนะไรต่างๆและทีนี้ถ้าคนเชื่อในกฎของสังสารวัตเชื่อในกฎของกรรมแนวพุทธนะฮะจะไม่กล้าทําหรอกอยางนั้นอะ จะเชื่อจะเชื่อในกฎของกรรแนวพูดนี่จะไม่กล้าทําต่เชื่อแนวพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นสงครามในนามพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพวกนี้กล้าทํานะะเพราะว่าพระเจ้าจะพิพากษาวันพิพากษาเนี่ยก็จะให้บําเก็จความดีความชอบไปอยู่บนสวรรค์ตามความเชื่อของเขานะเพราะฉะนั้นแนวตัวเนี้ยรรจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ลึกลงมาอีกนิดหนึ่งเอาขนาดเนี้ยเครือข่ายสงสัยในเหตุในผลต่างๆในเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์เอาไว้เนี่ย แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงไม่อยากจะเสี่ยงตออ่อนรกโดยการกระทำบาปอันตรายแรงเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นทีนี้ไม่มีความคิดอย่าลืมว่าอเมริกาคิดนะอเมริกาเนี่ยมันมีเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็มีศาสนาอยู่ดายเนี่ยศาสนายิวเนี่ยโควิเทตเมนี่มีเยอะนะฮะตาต่อตาปันต่อปันร้อยแผลต่อรอยแผลเนี่ยมันมีอยู่ภายในใจคนตอนตรงเนี้ยถ้าหากว่า รู้จักจับยังชัางใจรู้จักมีโยนิสุมอเมริกานะในการคิดเป็นระบบเนะี่ยะมันอาจจะหยุดได้แต่ถ้าแนวกระแสความคิดยุโรปอเมริกาเนะี่ยยังนึกว่าหยุดยากเพราะอะไรเพราะว่ายังมีความเชื่อมันม่นว่าเป็นความถูกต้องนะการโต้อตอบฟันตอกฟัน ร, รอยแผลต่อรอยแผลร้อยไหมต่อรอยไหมเนี่นะมันอยู่ในคำพีนะฮะคมพี์ นี่ก็จะกลายกายกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวทีนี้ถ้าถ้าเรามาสงสัยเส้นหน่อยสงสัยว่าเอ๊ะนี่จะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยไปฆ่าเขาแล้วต่อไปเราจะเป็นอะไรจะต้องตกนรกหมกไหมไหมอะไรแต่อไรเนี่ยถ้าคิดไปหน่อยเนีะฮะถ้าคิดถ้ายัางสงสัยอยู่เนี่ยมันไม่ไปมันเหมวนกับอะไรมันเหมือนกัเราเดินทางสามแพ่งเนี่ยเราสังเกตว่าถ้าเราถึงทางสามแพ่งเราไม่แน่ใจว่าจะไปซ้ายไปขวาดีเนี่ยเราไม่ไปอะ่ะมันก็เกิดอาการชะงักทีนี้การชะงักเนี่ย มันสามารถจะลดปัญหาได้นะฮะเจ่นต้องการจะขับรถชนคนแล้วมันเกิดจะงักขึ้นม า, าเออมันจะเป็นบาปมันจะตกนรกหมกไหม้น ะ, ะมันก็หยุดตัวเองได้นะฮะก็เหวี่ยงรถหรือว่าจะรอรถจะได้พวกนี้ถ้เรามองคิดเป็นกระแสของธรรมะกระแสกิเลสแล้วก็ถึงพื้นฐานของคนเบื้องหลังของคนเนี่ยมันก็ทําให้สามารถ อธิบายเป็นรูปของธรรมะที่เป็นรูปประธรรมได้ทีนี้ถ้าคนเข้าใจกระบวนการของเหตุผลก็จะใจบทปฏิจจสมบาทัติก็จะไม่ทําำนะฮะเพราะว่าผลทั้งหลายมาจากเหตุนะถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เหตุจะเป็นอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้ลนนแล้วก็ผลนั้นจทะทยอยเป็นเหตุแล้วก็ทําให้ผลไปเรื่อยๆได้ด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายลองสังเกตว่าเขาจะเป็นผลและเป็นเหตุ เป็นผลแล้วเป็นเหตุเป็นผลน่้เป็นเหตุคือเป็นผลก่อนนะเป็นผลก่อนนะจะเป็นเหตุคล้ายๆการสืบสกุลวงศ์ของคนทั้งหลายเนี่ยคนเหล่านั้นก็เป็นผลที่มาจากเหตุแล้วก็มาทําตัวเป็นเหตุก็กเกิดผลก็ต่อกันไปเป็นแถวไปความคลุแครังสงสัยไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็นอาการที่เียกวเป็นโมหะ กิเลสประเภทโมหะแต่ไม่ใช่ถึงกับมืดตื้อไปเลยไม่เห็นหน้าหลังเลยแล้วก็สงสัยอ่ะนะเช่นสมมติว่าอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยมันเป็นแฟชั่นหรืออะไรก็ไม่รู้นะครสงสัยว่าพระพุทธเจ้าประสูิฐแล้วเดินด้วยประบาทได้เจ้ากล้าจริงหรือมันจะเป็นเป็นจริงหรือคือเราไม่คิดว่ามันเป็นพิเศษว่ามหาบุรุษเนี่ยผู้ที่บำเพ็ญพุทธกะ การกะบา ร, รมีท ร, รมมาตลอดอเนกนานอย่างนั้นแล้วมันเป็นเงื่อนไขของกฎธรรมชาติคือถ้าเราเอากฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติคำาคิดนี่นแล้วก็ถ้าก็จะ น, นี่คือธรรมดาข้ามาันคือจะมันจะไม่ตัดสินไปโดยความไม่รอบครอบอย่างที่เขาเล่าถึงพ่อตากับลูกเขยพายเรือไปได้วยกัน ลูกเขยก็พายเรือพ่อตาก็นั่งนะฮะแต่หน้าเข้าหากันก็ไปเจอพวกหานหลอยน้ําได้ไว่ายน้ําได้ลูกเขยก็ถามว่าพ่อพ่ อ, พอไอหานเนี่ยทำไมมันลอยน้ําได้พ่อตาบอกเพราะมันมีขนลอยน้ําได้ลูกเขียบอกกงไม้ไม่เห็นมีขนนะมันลอยได้ คือมันไม่ไมีเหตุผลมันไม่ได้เป็นเหตุผลไปเจอเป็นรูอยู่ริมตะลิ่งนะฮะเป็นรูไปกายกับใครเอาไม้ทอไป็นคไว้เป็นรูเรือสัตว์เข้าออกก็ไม่รู้นะฮะเป็นรูอะไ ร, รเโอเคก็บอกพ่อต่อเอ้รูนี้ทําไมมันเลืน่นพตาบอกว่าเพราะสัตว์มันเข้ามันออกอยู่เสม อ, อรูมันก็ลืน่นนะมันก็ไม่มีเหตุผลอีกอะ่ะเพราะว่าจะมีประเด็นอื่นมาหักล้างได้ เอาพ่อพ่ อ, พ อ, พอทําไมนกนกยิงบินได้เอาเพรมันมีปีกไอ้เเคยก็สงสัยเอแล้วก็ไอ้นกกระโอกเทศมันมีปีกทําไมบิดไม่ได้นะถ้าพ่อพ่อทําไมอึงมาร้องเสียงดังปตาก็บอกว่าอันนี้ใช่เออเป็ดนะฮะเป็ดนี่ทำไมร้องเสียงดังก่อนหฮานฮานทำไมร้องเสียงดังปตาก็บอกว่าเพราะคอมันยาวเรเคยก็บอกไม่แน่ก็ เพาอึ่งมันไม่มีคอมันมันร้องดังได้พีค่คือว่าความคิดมันไม่เป็นระบบมันไม่เป็นโยนิโสมนติการพอไปทำข้าวไปผูดข้าวเนี่ยคนก็คานได้ตลอดดังนั้นลักษณะของโยนิโสมนติการกับความคิดที่เป็นระบบเนี่ยมันเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือในการสอดส่องในการปิพิจนาแต่ว่าต้องเสริมสร้าง สเสริมสร้างคุณสมบัติมาแนวเดียวกับอุตจกักขุจกจัดนะฮะเพราะว่ามันเป็นกิเลสประเภทมโมหะด้วยกันแต่หมายความว่าหนึ่งต้องเป็นผู้สดับจับฟังมากคือเรียนรู้มีประสบการณ์ทำภาษา ส, สัมผัสมาในเรื่องต่างๆนี้มากก็ตามโครงสร้างอย่างที่ว่าแล้วนะฮะหมายความว่าเรียนรู้มาทาำภาษาสัมผัสมากมีประสบการณ์ตรงมากแล้วก็จําเรื่องราวต่างๆไว้ได้มาก แล้วก็เรื่องที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นสูตรเป็นหลักการต้องกันต้องกันก็นํามาท่องนำมาสาธยาได้แล้วก็นําเรื่องอ น, นั้นมาคิดจิตเนี่ยทำหน้าที่คิดอารมณ์เพราะนี้ต้องมีความคิดที่เป็นระบบเป็นกฎเป็นเกณฑ์มีเหตุมีผลในการคิดอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยสมมติว่านารกสวรรค์มีไหม แล้วก็บอกว่าเอาไม่รู้นะพระพุทธเจ้าท่านว่ามีแต่ทีนี้ถ้าเราเอาเชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าแล้วเราทําความดีทีนี้เมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยตีต่างวัานนรกสวรรค์ไม่มีผลดีผลชั่วไม่มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันก็ทําความดีในรกสวรรค์ไม่มีก็แล้วไปก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นทีนี้ถ้านใกสวรรค์มีเราก็บังเกิดในสวรรค์ด้วยก็ได้หนึร้อยเปอร์เ็ เขาคิดอย่างนี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปเชื่อเขาไม่ต้องไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่มาพูดคัดค้านพระธรรมาทเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแนวเขาเรียกว่ามณสาโนเบกิตาคือเพ่งพินิจพิจารณาก็ได้เหตุด้วยผลด้วยจิตด้ใจนะฮะแต่ว่าที่ตรงแท้จริงเนี่ยเขาเรียกโยนิสโสมนสิการก็คือกัร น, นะฮะก็คือปัญญาได้แก่จนเกิดเป็นทิฏฐิยาสุปฏิเวทาคือครบเจาะด้วยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตน ทนเรื่องบงเรื่องเนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนยากต่อการที่จะทําความเข้าใจก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนล่าบางทีในยุคสมัยปัจจุบันในยุคไอทีมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแต่ว่าคนไทยก็บอกเปอร์เซน์ที่ครอบครองเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์นี่มีไม่กี่เปอร์เซนต์นะครับคนเราส่วนใหญ่ยังต้องเข้าห้องสมุดยังต้องศึกษาค้นคว้ากัตบตำหรับตํานาต่างๆ อย่างต้องอาศัยการซักถามการสอบถามกันอยู่เพราะฉะนั้นหลักที่ท่านวางไว้ในคำพีประปัญญสุตรนีมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่แม้จะเปลี่ยนแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารก็ตามคือถ้าเราไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตไปศึกษาจากวิดีโอไปศึกษาจากคอมพิวเตอร์ต่างๆพวกซีดีรอมทั้งหลายที่เขาทาไว้นี่มันก็สามารถจะแก้ข้ององใจสงสัยเราได้ เรอเอกาสาราต่างๆเวลานี้มันมีเยอะเช่นเขียนหนังสือสกุลการันไปยังไงไม่แน่ใจนะแล้วก็มีพจนานุกรมมีอะไรแต่ไรก็ค้นเอาอย่างหนังสือธรรมะยาตัวอย่างมาหลักธรรมะนี่คือก็จะกระจายแต่ว่ามีนักิจาการศา ส, สนาเขาไปทำมาเยอะเช่นพจนานุกรมขอ ง, ของคุณธรรมบดก อะไรเนี่ยรวมทำ ร, ร, รวมอ่ารวมศัพท์หรือว่าคู่มือธำรมกระึกประมวลหัวใจธรมกระึกหรือว่ากกะีชื่อต่างๆได้ชื่อคบทำได้ชื่ออะไรแต่อะไรเนี่ยมีมีเยอะนะฮะเราก็จะแก้ความข้องใจสงสัยในเรื่องดังนั้นออกไปได้แต่าหลักการที่ที่ดีเนี่ยคือว่าอย่าปล่อยให้ความสงสัยมันคาดใจอยู่ พยายามที่จะหาคําตอบให้ได้ในเช่ง ป, ปล่อยสะสมหมักหมมความเครื่องแพร่งสงสัยเอาไว้คือคนเราไม่มีใครจะรู้อะไรหมดหรอกแต่ว่าอะไรที่เราข้องใจเราสงสัยเราไม่แน่ใจเราค้นเราซักถามเราอ่านนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการซักถามเนี่ยเป็นวิถีทางสังคมอย่างหนึง่งเพราะว่า ท่านที่มีควา ม, มรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยเจนสมมติว่าถามเรื่องธรรมะเนี่ยถวนมากก็จะตอบได้นะคถวนมากก็จะตอบได้น อ, อกจา ก, กว่าเรื่องมันลึกซึ้งเกินไปหรือว่าต้องท่องจำมานะบางทีเราก็ท่องเราก็ท่องได้แต่ว่าอาจจะลืมไปขาดไปสักหนึ่งข้อสองข้ออะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าถามถึงที่ไปที่มาถึงหลักธรรมเหล่านั้นใหญ่มากเกินไปนะฮะข้อไม่ลงมา ก, กเกินไป ก็สามารถจะตอบกันได้เพราะถ้าเราไปมันสอบถามอยู่สม่าเสมอแต่ว่าคนเรานี้มันมีจุดอ่อนนะฮะคือคุยเรื่องเล่กก็คุยได้คุยเรื่องธรรมะมันคุยไม่ได้คือเป็นเรื่องแปลกว่ามันจะใช้อาการของโทสะไปมีการซักถามมีการซักข้ามมีอะไรมีการโต้อตอบแล้วก็จะเกิดเป็นโทสะแต่ในที่จะฟังเนี่ย แทนที่จะฟังให้เกิดความเข้าใจว่าเออมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้คือบางทีเนี่เราคงไม่ต้องไปเอาลงตัวนะฮะเพราะว่าคําสอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นมรรคนะฮะเป็นทางเหมือนเราจะไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปทางเดียวกันแต่ว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันก็ถือว่าทุกคนก็มาถูกต้องแล้วกันคือบางทีเราก็ไปถกเถียงธรรมะกลายเป็นทํำมวยไป เค็นแนวคําสอนในศาสนาอื่นนะเขาก็มีดีของเขาเหมือนกันแต่เขาไม่ดีเนี่ยเขาไม่สามารถจะรักษาองค์กรไม่ได้แล้วก็ให้คนเขาลบนังตือก็ได้แร้วนะศาสนาแต่ละศาสน า, าก็มีความดีในส่วนตัวของเขาแต่ไม่ใช่ดีเท่ากันทุกกรณีนะะแล้วไม่ใช่ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าก็ดีถ้าอย่างนั้นก็ได้เขาก็พอใจอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขา เราก็ต้องเคารพศรัทธาของเขาเออเขาพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นก็ยินดีที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็ต้อรับผิดชอบผลกรรมของเขาเองเพราะแนวนิวรณ์เหล่านี้ยแนวนิวรณ์ทั้งห้าประการนะลองสังเกตนะะว่าที่นํามาขยายพิสดารแล้วก็ที่จริงบางจุดนเราก็เจอมาแล้วแต่ว่าธรรมะนี่มก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือปริยายของธรรมะส่งแสดงว่ายังไงก็คือเอกอย่างนั้น แล้วในช่วงช่วงสุดท้ายนี่ยจะทรงสรุปเหมือนกันนะครสรุปเหมือนกันว่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างก็อย่างที่บอกว่าธรรมภายในธรรมภายนอกเอาเฉพาะง่ายๆแบบง่ายๆนี่คือธรรมภายในก็คือธรรม ท, ที่อยู่ภายในจิตของเราธรรมภายนอกก็คืออยู่จิตของคนอื่นหรือว่านอกจากที่อยู่จิตของเราในขณะนัน้นๆ เนะช่นเราวิจิกริษะมันเกิดขึ้นในขณะนัน้นก็เป็นธรรมภายในจิตในขณะนั้นแต่ว่าอุทจฉามันไม่เกิดในขณะนั้นมันเป็นธรรมภายนอกจากขณะนั้นคือเรามองขณะนี้ก็พอแล้วนะไม่ไม่ไม่ต้องไปเอาพิสดารมากแล้วก็ดูจะเห็นว่าความเสมอภาคกันเนี่ยเมื่อดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆก็บอกว่าย่อนไิจารณ้เห็นธรรมในทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างก็แล้วในที่สุดก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ความเกิดขึ้นต้องทําบ้างความตั้งอยู่ของทําบ้างนะฮะเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปของทําบ้างจากนั้นก็จะพิจารณาเห็นธรรมดาโดยทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของถามว่าสรุปแล้วว่าทั้งหมดน่ะทั้งหมดมันจะมาเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมันมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแก่ก็เกิดขึ้นปรุปัจจัยยังอยู่คนอยู่แก่ก็ดํารงอยู่ปัจจัยเสื่อมสลายแก่ก็เสื่อมสลาย มันเหมือนกันทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมแหละเกิเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยด้วยกันเพราะในความรู้สึกสติที่ว่าไอ้พวกนี้มันมีอยู่เนี่ยพงค์นิวรังห้าที่มันมีอยู่นี่ที่จริงมันก็มีอยู่สักว่ามีแต่นั่นเองมันก็ใช้เป็นเครื่องมือในการอาศัยระลึกแต่ว่าไม่คล้องไม่ติดไม่ยึด เมื่อเราเป็นนิวนณิวรณนเป็นเราเราไปติดหยุดกับนิวรณนไปยอมสยบ ก, กับนิวรณนอยุดตรง น, นั้นนั่นก็เป็นแขกที่จอนเข้ามาไม่ได้อยู่ภายในใจเราตลอดเลยจอนเข้ามาเราก็มีท่าทีให้ชัดเจนต่อนิวรณ์ที่จรเข้ามาแล้วก็ในกนณีที่มันเป็นนิวรณนนะก็พยายามบัดท่า่าแล้วก็ในที่เป็นสาเหตุเนี่ยพยายามหลีกเว้นเถอะ ในในกรณีที่สามารถสงบได้ละได้บรรเทาได้นะครับวิจวิติิาเนี่มันมันเหมือนกับน้ำที่มันขุนขุนมากๆกันนะขุนมากๆเราจะมองอะไรไม่ชัดน้ำเป็นโคลนตรงนะฮะเป็นคลนตรงหรือทางที่วิบากทางที่ว่าบากเนี่ยเราจะมองอะไรไม่ชัดวุ ธ, ธิจักกุกจักรนกี่นมันมีลักษณะใล้ๆกับน้ำขุน กรกนําคุณแต่ว่าตัวคนเองเนะีเหมือนก็ตกเป็นทาสแต่วิกิกิชานี่มันหลงป่าเลยนะฮะมันหลงหลงในทางธุรกันดานเนี่ยประสบความทุกข์ทรมานด้วยระการต่างๆจากใจที่ยังตัดสินใจลงไปไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ทักทุกข้อเนี่ยสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็เพียรพยายามบรรเทาลดละให้จางไปคลายไปบรรเทาไปนะฮะ หรือว่าหมดสิ้นไปในบางจุดบางประเด็นก็จะเป็นการดีทั้งฟังทั้งหายแต่รงมาพทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่วงงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี